เดี๋ยวหลวงตาจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยจากนั้นจะให้จะให้พรอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่ อ, อบ้านเพิ่มหลวงพ่อคำสดจะประพรมน้ำพระพุทธมนตร์หลวงพ่อจะเป็นผู้สาธยายพระคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลในงานและก็คงจะจบกันวันนี้นะอตอนนี้ไปให้ลูกหลาน อยู่ในความสงบหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะผ อ, อ, อสุจิตชำนาญพรบ เ, เป็นผ อ, อโรงเรียนตำบลบ้านกล้องอำเภอนายูงจวันอุดรท่านจะได้กเกษียณอายุราชการทำตั้งแต่เป็นครูมาอายุอย่างน้อยหนุ่ม จนถึงปุณิหนนลักจนถึงหกสิบทำงานราชการมาเป็นเวลาทั้งสามสิบกว่าปีแล้วก็เป็นผู้ไฝในการกุศลเอ่อพื่อว่าพระครูบาอาจารย์อยู่ในเขตอำเภอนายยงน้ำโสมในถิ่นนี้เอ่อก็เป็นผู้ที่รู้จักทั้งหมดว่าพระอเอ่อพรอสุจิตเนี่ย เ, เข้าไป หาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างวัดหลวงพ่อเห็นตอนเช้ามาก็เนี่ยไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายรูปในวัดของหลวงพ่อเป็นประจําจากนั้นกับครูบาอาจารย์ทุกองท่านก็ให้ความเคารพนับถือเรื่มใส่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเราเกี่ยวกับวัดวาศาสนาเกี่ยวกับขออนุญาตสร้างวัดขออนุญาตตั้งวัด อย่างนี้เป็นต้นพออจุจิตจะเป็นผู้วิ่งเต้นขนไววยช่วยครูบาอาจารย์นับว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันที่กเกษียณอายุราชการจึงนิมนต์หลวงพ่อและครูบาอาจารย์ในท้องถิ่นเข้ามาร่วม ง, งานสวดพระปริตามงคลแล้วก็ถวายพระทหารพระสงฆ์ เชิญเชิญพี่น้องประชาชนที่รักเคารพนับถือมาร่วม ง, งานถึงหลวงพ่อจึงถือว่าเป็นวันมงคล ม, มหามงคลยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่กําลังพูดกําลังแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเขตอาเภอนายงาน้ํามสมของพวกเรา ขอให้ใยในการกุศลไฝ่ในศิลไฝ่ในธรรมสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในเรื่องที่มันไม่ดีคิดพูดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์สร้างสรรอันไหนสร้างสรรค์อันไหนมันจะทะเลาะกันอย่านํามาพูด อ, อ, อย่านํามาแสดงออกในที่สาธารณะในที่ชุมชนอันไหนเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์อันไหนที่เป็นประโยชน์ ถึงจะเป็นประโยชน์ก็จริงแต่สิ่งที่มันพูดจ ะ, ะไม่ทะเลาะกันก็จริงแต่มันไม่เป็นประโยชน์อันนั้นเราก็ไม่ควรจะเอามาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์เราควรจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาในชุมชนในกลุ่มของพวกเราพระนั้นขอฝากไว้กับคณะทัตไทญาติโยมลูกหลานทุกคนไม่ใช่ว่าไปประมาทท่านแล้วไปด่าคนเขาแล้วย่อก่อยไปขอโทษอันนั้นไม่ถูกนะ ต้องระวังอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอันไหนมันควรไม่ควรให้คณะสัายาติยมลูกหลานทุกคนให้สารวมกายวาจาใจของตนเองเ อ, อย่างที่เมื่อไม่นานมาเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วสัายาธิยมมาจากกรุงเทพเข้ามาเขามากล่าบหลวงพ่อใกล้ๆหลวงพ่อเอ๊ะเขามาอะไรในวางวะเขามากล่าวาว่าหลวงพ่อเจ้าขาเนี่ย ขอหลวงพ่อโปรดเมตตาโหสิกรรมให้แก่หนูด้วยเพราะว่าหนูได้ทางว่าหนูได้ประมาทพลาดพังหลวงพ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอเมตตาหลวงพ่อโหสิให้กับหนูด้วยหลวงพ่อเออหลวงพ่อพร้อมที่จะเมตตาอาโหสิกรรมให้กับทุกครูทุกคนแต่แสดงว่าเรานี่นะคงจะประมาทพลาดพังหลวงพ่อ จนพอแรงทั้งที่ไม่เคยเห็นกันเลยเนี่ยออพอได้ยินแต่ข่าวก็ประมาทกันแล้วเนี่ยแสดงว่าเราเป็นยังไงแต่จริงๆที่ประมาทนันก็นี่แหละคนคุณ อ, อ, อยู่โรงพยาบาลจุฬานี่นะคงสิ่งที่ประมาทก็คงจะคิดว่าหลวงพ่ออินมักใหญ่ไฟสูงหลวงพ่ออินชอบเด่นชอบดังหลวงพ่ออินอยากจะเด่นในชุมชน คงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมทำงานทําอะไรวัดลอยหลงตาอย่างงั้นใช่ไหมข <c oughs> ว่าชายเออใช่เนี่ยหลวงพ่อเคยได้ยินมาแล้วในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อมันเป็นอย่างงั้นไหมหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อชำรุมระวังนะเพราะฉะนั้นพวก เ, าเราใครก็ตามจะประมาทพลาดพัง้งต้องคิดดูให้ดีต้องตรวจราดูให้ดีซะก่อน ไม่ใช่ว่าเขาเห่าก็เห่าตำเอเขาอย่างอย่างที่ไอ้ตมเห่าเมื่อกี้เนี่ยอมันต้องดูเหตุดูผลเจ้ากนะ่อนนั้นลูกหลานนะอสำรวมกายว่าใจาใจของตนเองถ้าหากว่าสำสำไม่สำรวมกายว่าจาใจของตนเองนั่นนะแล้วจะทํำยังไงเออเมื่อประมาทไปแล้วนะเเนี่ยอบางคนยังไม่ได้เห็นหนะ้าคิดประมาทไปแล้วอันนี้เราเก็จิตประเภทหมาบ้าหลวงพ่อบอกนั่นนะ จิตประเภทอย่างนี้เคยดว่าจิตประเภทหมาบ้ายังไม่ได้เห็นพอได้ยินข่าวนั่นเองก็ประมาทท่านแล้วยังไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเลยอันนี้ใครๆมันบางคนมันเคยมีนะจิตประเภทอย่างนี้แต่ก็ต้องถามตัวเองสิว่าในเมื่อเราประมาทท่านแล้วะเราดีอะไรเรามีดีอะไรในตัวของเราเราจึงประมาทท่านประมาทกระทั่งพระพุทธเจ้าอีกต่างหากนะไม่ใช่ประมาทครูบาอาจารย์ธรรมดา น, นี่นแหละ เราดีอะไรเราดีกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีกว่าพระสงฆ์อย่างนั้นใช่ไหมเราจึงประมาทท่านคนที่เหนือกว่าคนอื่นเราจึงดูถูกคนที่ต่ำกว่าได้แต่นี้คนที่สูงกว่าเราเนี่ยเราประมาทเนี่ยเหมือนกับน้ำถมน้าลายขึ้นบนฟ้าเนี่ยมันลดหน้าตัวเองนะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้คิดนะอันนี้หลวงพ่อก็พูดแล้วก็หลวงพ่อเอง อยากจะพูดในเรื่องนี้อีกเหมือนกันนะแต่ตามไม่จริงก็ก็ไม่น่าจะมาพูดในงานของพ อ, อสุจิตแ ต, แต่ว่าตามไม่จริงพ อ, อสุจิตก็ถ่ายรูปให้หลวงพ่อทุกวี่ทุกวันจากนั้นก็เอารูปของหลวงพ่อไปลงไปลงในเฟซนะเฟซเฟซฟาสฟาดเฟซบ o ๊อะไรก็หมายรูกละแต่บางที่หลวงพ่อก็บอกเอ้ยถ้าเอาลงใน Facebook ให้ระวงะังเนบางทีก็ถามไถ่เขาดูด้วยว่าเนี่ย ที่เอาลงไปนี่มีใครบ้างเห็นด้วยใครบ้างไม่เห็นด้วยแต่าหาว่าคนไม่เห็นด้วยก็แสดงว่าเราเกิดศรัทธาแต่เฉพาะเรากลุ่มของเราเท่านั้นเองแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าหาว่าคนส่วนใหญ่ เ, เห็นด้วย เ, เขาเห็นด้วยแต่คนบางคนไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะ เ, เราก็เอาคาพูดของเขาที่ไม่เห็นด้วยนะออกมาบอก ให้สาธารณชนในโลกว่านี่นะเขาเขามีเห็นความเห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสาธารณน้ลูกหลานน้พระสาธารณชนเป็นพระของทุกคนไม่ใช่พระของผู้หนึ่งผู้ใดพอเวลาหลวงพ่อฉันจังหันบินทบาทก็บินรับกับทุกคนเวลาฉันอาหารก็รับจะมาจากทุกคนมาฉันเราจะเป็นเฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดได้อย่างไรหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะเป็นพระของทุกคน ไอ้ที่หลวงพ่อเองกับเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นศากยาบุตรของพระพุทธเจ้าด้วยหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนี่แหละขอให้ขอฝากไว้กับคณะทายาทโยมลูกหลานเนอ้อพูดได้ได้ยินยังไงก็ฟังฟังอ่เรื่องของครูบาอาจารย์อย่างพระสงฆ์อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันน่ยหลวงพ่อโอ้โหรู้สึกว่าเออมาลมมาตุ่มพอสมควรนะเมื่อข่าวเมื่อไม่นานมานี้ก่นอนเขาก็บอกว่าหลวงพ่อ าการาบคารวะหลวงพ่ อ, อ, อพวกเราได้ประมาทพลาดพังหลวงพ่อด้วยกายด้วยด้ ว, วิช า, าด้วยใจหลวงพ่อปวดโอโหสีให้พวกเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนคนหนึ่งเขาประมาทหลวงพ่ออย่างแรงนะแต่เขาก็เข้าใจผิดนั่นแหละลักษณะนั้นแต่เราก็บอกเขาให้มาการาบคารวะซ ะ, ะเพื่อจะได้ท่านจะได้อโหสิให้แต่เขาก็ไม่มาต่อมาเขาก็เลยตาย พอตายเข้าไปเลยก่อนที่เขาจะตายเขาอยู่คนเดียวอาเจียนเต็มห้องเลยงหมนกะันอาเจียนเป็นเลือดเลยตาย เ, ยเอเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่สบายใจจะมากราบหลวงพ่อขอหลวงพ่อปู่ตองโหรสิให้เขาด้วยที่มาขออโหรสิแทนเขาหลวงพ่อเออหลวงพ่อไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองกับใครๆทั้งหมดละ่ะพราะชีวิตของหลวงพ่อก็นี่ละ่ะบู่นี่ละอีกไม่นานหลวงพ่อก็จะไปของหลวงพ่อละ หลวงพ่อยินดีเอาโหส s ีกรรมให้กับพวกเราทุกคนทุกหลูกหลานทุกคนที่ได้ประมาทหลวงพ่ออแต่ต่อไปก็นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยอย่านะอย่าไปทํานะแต่คนที่ตายไปแล้วก่นนะสมควรตายแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้เอพราะเหตุอะไรทําไมยังประมาทไม่ได้คิดแต่งอ่านอะไรประมาทไปแล้วไม่ได้ฟังเหตุฟังผลอะไรประมาทตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้ หลวงพ่อมาได้ชาบได้แช่งนะอันนี้คือบาปกรรมใครทำอันไหนก็ได้ผลอันนั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราไม่ได้เปรียบเทียบเราเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้านะแต่เ น, นี่ยเป็นเนื้อเรื่องคือเนื้อเรื่องก็คือเรื่องราวอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้าเป็นคนบวชให้ทุกอย่างพอในโซจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าอีกไม่รู้กี่ครั้งโตักี่หนจ้างนายขมังธนบั้ง ปล่อยช้างนาราคิรีบั ง, บงกิ้งกิ้งเห็นจากภูเขาบางให้ทัพพระพุะ ท, ทธญาติจุดเทวทัตก็แผ่นดินสูบพอดินสูบพระพุทธเจ้าทำยังไงพุทธเจ้าขวตายเพราะแผ่นดินสุบสมควรแก่กรรมของเทวทัตที่ได้ทำไว้ท่านก็ต้องวางอุปเลยขาในการเป็นไปนั้นแล้วก็พร้อมกันอย่างภาษารรบุตรเถระท่านก็นั่งขัดสมาธิเข้าฌานสมาบัติ อยู่ในแท่นหินอยู่ในภา ร, รานหินนะเ อ, อารวกยักษ์เหาะมาทางอากาศมาเห็นพระสาริบุตรนั่งอยู่ในแท่นหินเอเอตะกรเ น, นี่ยเราเคยใช้ตะบองของเราเนี่ยตีช้างยุตีภูเขาก็ยกุบแต่ยังไม่เคยตีหัวส ม, มณะดูะอหัวส ม, มณะจะแข็งขนาดไหนวะอพอฉะนั้นเห็นว่าความคึกขนองพอลงมาเสร็จแล้วก็เอ เงือขึ้นมาก็ตะหัวพระสารีบุตรเลยพระสารีบุตรนั่งเข้าฌานสมาบัติเนีมันก็ตะอย่างแรงขนาดขนาดแผ่นดินแข็งๆเนี่ยนะยกลงไปถึงถึงเอวว่างั้นนะแรงขนาดนั้นแหละไอ้คอนของไอ้ ข, ของราวกระยักษแต่ว่าพระสารีบุตรท่านเข้าฌานสมาบัติท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อเราเข้าฌานสมาบัตรร่างกายของเราเป็นยังไงให้อยู่อย่างนั้น เพราะฉะนั้นเวลาเขาตีลงไปเนี่ยร่างกายท่านไม่สะเทือนเพราะอะไรเพราะโดยอํานาจเลิศของท่านค้าอยู่ เ, เออพอจากนั้นอะลาวกายักษ์ถอยหลังมาอีกเงื้อมาอีกจะตีอีกรอบสองเหมือนกันเถ อ, เอจะทดลองอีกรอบสองพอเงื้อมาทอนนั้นแหละแผ่นดินก็สุบอลาวกายักษ์ลงไปสู่อเวจีมหานรกเนี่ย นี่แหะความคึกความขนองความไม่สมรวมกายวาจาใจของตนใครจะช่วยได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะพูดทางทิศทางนี้ทางนั้นนะมิใช่จะประมาทแต่หลวงพ่อองค์เดียวนะประมาทครูบาอาจารย์ประมาทพ่อประมาทแม่ประมาทครูบาอาจารย์และท่านผู้ใดก็ตามที่เป็นผู้มีวัยวุฒิคุณนวุฒิให้สมรวมระวังเพราะว่าการกระทําบาป้ไม่ใช่ทำได้แต่กายอย่างเดียวนะวาจาก็ทําบาปได้ กายก็ทาบาปได้วาจาก็ทําบาปได้ใจก็ทําบาปไดใ้ให้ต้องสํารวมใจไม่ใช่แต่สํารวมต่กายกับวาจาให้สํารวมใจด้วยนะใจน่ะเป็นสําคัญนะถ้ากาจใจคิดไม่ดีใจคิดเป็นบาปใจพิคิดเป็นอกุศล น, นะนะ่ะการกระทําออกมาก็เป็นบาปพูดออกไปก็เป็นบาปเพราะฉนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะ่ะนานๆหลวงพ่อจะได้พูดกล่าวในเรื่องอย่างนี้ให้กับลูกหลานได้ยินได้ฟังนะ เ, เพื่อเป็นแนวความคิด ให้สํารวมกายว่าใจาใจของพวกเราใครๆก็ไม่ปราถนาทั้งนั้นแหละความทุกความทุกอยากลําบากทุก อ, อกทุกใจำลําบากกายลําบากใจพวกเรามีแต่อยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองร่ารวยโชคดีด้วยกันทุกคนนั่นแหะแต่บางสิง่งบางครั้งใจของเราก็ถลําออกไปอย่างที่ว่านะประเภทหมาบ้านะตอนนี้ไปพระนสง์จ้าหนุโมธนาให้พรนระสนีนะ